โลกเหล่านี้มีสมบัติเยอะสองชนิดด้วยกันเรีวยกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์สมบัติภายในกับทรัพย์สมบัติภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกนอ ก, ก็เป็นสิ่งที่เราหากันโดยใช้ร่างกายหาข้าวของต่างๆทรัพย์สมบัตๆๆิต่างๆ เช่นข้าวของเงินทองที่ดินอคอนโดบ้านรถยนต์เพชรสร้อยเพชรสร้อย อ, อะไรต่างๆแหวนเพชรสร้อยเพชรกาไรกาไรเงินกําไรทองอันนี้เรียกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็เป็นทรัพย์ชั่วคราว ซั์ใช้ได้เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปแล้วก็ไม่สามารถใช้ทรัพย์เหล่านี้ได้ ừ, ก็จะตกเป็นของคนอื่นไปเป็นของลูกของหลานหรือของใครก็ตามเราเอาติดตัวไปไม่ได้ดวงวิญญาณคือเราเราเป็นดวงวิญญาณที่จะต้องแยกจากร่างกาย เราจึงต้องหาทรัพย์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้เอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้โลกทิพย์ก็เป็นเหมือนต่างประเทศเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินตราเงินที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยนี่ ไปใช้ที่ต่างประเทศใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเงินของที่ประเทศที่เราจะไปประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเป็นเงินเยนฮะประเทศจีนก็เป็นเงินหยวนต้องใช้เงินของประเทศนั้นนั้นจิตเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่ เป็นผู้ที่ต้องแยกออกจากร่างกายแต่จิตเราก็ต้องใช้ยังต้องมอีต้องซื้อข้าวซื้อของอยู่ซื้อของทิพซื้อรือซื้อรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพซื้อที่พักซื้ออาหารทิพอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เรือนทิพอาหารทิพ เหมือนกับเราไปต่างประเทศเราก็ยังต้องมีบ้านอยู่มีอาหารรับประทานเราก็ต้องมีเงินของประเทศนั้นติดตัวไปเราจะได้จ่ายค่าที่พักได้จ่ายค่าอาหารได้จ่ายค่าท่องเที่ยวได้เพรเวลาเราไปต่างประเทศเราไม่ได้ไปอยู่ที่โรงแรมเฉยๆเราอยากจะออกไปดูบ้านเมืองของเขา บ้านเมืองของเขามีอะไรของแปลกของใหม่ต่างจากที่เราเคยเห็นในบ้านเราเราก็อยากจะไปดูของแปลกแปกแปลกหูแปกตาพอดูแล้วเกิดความเพลิดเพลินเกิดความบันเทิงใจเกิดความสุขใจนั่นเองถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปแทนที่จะไปเที่ยวก็ต้องไปทํางานใช่ วกคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศไม่มีเงินติดตัวไปใช้ไปเที่ยวไปอะไรก็เลยต้องไปใช้แรงงานไปทำงานเพื่อที่จะได้หาเงินของประเทศนั้นแล้วหลังจากได้เงินเดือนแล้วเขาถึงจะสามารถท่องเที่ยวใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆได้แต่คนที่มีมีเงิน ติดตัวไปก็สบายมีเงินทองติดตัวไปก็ไม่ต้องไปทำงานอันนี้คือเรื่องของทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกเราจึงไม่ควรที่จะหาแต่ทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเราควรที่จะมาหาทรัพย์ภายในด้วยทรัพย์ภายในนี้ก็สำคัญเพราะไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องออกเดินทางไปสู่โลกทิพย์กันเมื่อไปถึงโลกทิพย์ก็ต้องมีทรัพย์ภายในถึงจะสามารถอยู่อย่างมีความโ่มเย็ยนเป็นสุขได้ทีนี้ทรัพย์ ภายในนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าบุญบุญที่เรามาทํากันนี่แหละคือทรัพย์ภายในเราสามารถเอาทรัพย์ภายนอกมาแรกเป็นทรัพย์ภายในได้อันนี้วิธีหนึ่งที่จะเกิดทรัพย์ภายในแต่ทรัพย์ภายในก็มีหลายหลายแบบด้วยกันหลายหลายระดับ ระดับแรกก็คือเอาทรัพย์ภายนอกมาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในระดับที่สองระดับที่สามก็มีทรัพย์ระดับที่สองเราเรียกว่าศีลศีลนี้จะทำให้เร า, เาไม่ต้องไปเป็นแรงงานไปไปใช้ไปทำงานไปติดคุกติดตาราง ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้เหมือนคนที่ไปแล้วไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ต้องไปทํางานไปใช้หนี้แทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปอยู่อย่างสุขสบายก็ต้องไปตากตาําทํางานเพื่อที่จะได้มีเงินมาใช้หนี้ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือศีลนะ ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องไปอยู่ในสีกที่มีแต่ความทุกข์ในโลกทิพนะเช่นไปเป็นคนงานไปทำงานหรือไปติดคุกติดตารางอันนี้เกิดจากการารักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลตายไป เราไปโลกทิพย์แต่ต้องไปติดคุกติดตารางไปทำงานไปใช้หนี้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เ, เรามาสร้างหนี้ด้วยการทำบาปกนันแทนที่จะหาทรัพย์กลับไปหาหนี้เหมือนกับไปกู้เงินกู้เงินแล้วก็ต้องใช้เงินคืนเข้าไป ฉันต้องรักษาศีลเราจะได้ไม่ต้องไปลําบากลําบนเวลาที่เราตายไปคือไม่ต้องไปอยู่ในอบายนี่เองอบายก็เป็นที่ของพวกที่อไปทําไปก่อนนี่ไปทําบาปอันนี้ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งศีลเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งถ้าเรารักษาศีลได้ ไม่ทำแบาบปเราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ไม่ต้องไป อ, อยู่แบบขอทานอยู่แบบคนที่ต้องทำงาน เ, าเราไปแบบนักท่องเที่ยวดีกว่าไปแบบไปทางานาไปทำงานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนต้องคอยทำงานอยู่ทุกวัน ไม่เหมือนกับคนที่มีเงินติดตัวไปไม่ต้องไปทำงานไปหาเงินไปก็ไปเที่ยวได้เลยก็ต้องมีบุญที่เกิดจากการทำทานเอาเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันมีมากเกินไปใช้ไม่หมดตายไปก็ใช้เอาไปไม่ได้ อยู่ก็ไม่ได้ใช้เอาไปทำบุญดีกว่าเราต่อไปเราจะไปสบายมีทรัพย์ภายในติดตัวไปรักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปอยู่ในคุกตารางไม่ต้องไปทำงานตรากตรไม่ต้องไปเป็นขอทาน อ, าอยู่ในโลกทิพย์ถ้ารักษาศีลได้ ถ้าทำบุญทำทานได้ก็จะไปเป็นเทวดาอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่ความสุขมีรูปเสียงกลิ่นรสทิพย์ให้เสพไปเรื่อยแล้วถ้าเราทำบุญได้อีกระดับหนึ่งคือทำบุญด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้ก็จะเป็นบุญ เป็นเป็นทรัพย์ภายในที่ที่มีความคุณค่ามากกว่าทรัพย์ภายในที่ได้จากการทำทานเพราะจะทำให้เราไปอยู่เป็นพรม อ, อ, อยู่สวรรค์ชั้นพรมที่เป็นสวรรค์ที่มีความสุขที่ละเอียดกว่าสวรรค์ชั้นเทพเออเออนี่คือทรัพย์ภายในที่เรา สามารถเอาติดตัวไปได้แต่ทรัพย์เหล่านี้ยังถือว่าเป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่ถึงแม้เอาติดตัวไปได้แต่ถ้าเอาไปใช้ในโลกทิพย์เดี๋ยวก็หมดบุญที่เราทาแล้วเราไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เดี๋ยวก็หมดเหมือนเงินที่เราเอาติดตัวไปเที่ยวต่างประเทศ เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เอาเงินไปเราก็ใช้ไปเรื่อยๆพอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกลับมาหาเงินใหม่กลับมาทำงานใหม่บุญที่เราทำไว้พอตายไปเราก็เอาติดตัวไปเอาไปใช้ในสวรรค์พอหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อันนี้เป็นยังเทอา ว, ว่าเป็นทรัพย์ภายในแบบทรัพย์ชั่วคราวอยู่แต่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่พอร่างกายตายก็หมดสิทธิ์ต่อให้มีกี่พันล้านหมื่นล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเอาหมื่นล้านพันล้านนี่มาแบ่งทาบุญสักครึ่งนึงนี่ก็จะมีทรัพย์ภายในไปไปเที่ยว ไปเที่ยวสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้าไม่มีทรัพย์แต่มีความสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ก็จะสามารถไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพได้คือสวรรค์ชั้นพรหมแต่สวรรค์ชั้นพรหมก็เสื่อมได้หมดได้บุญที่ส่งไปคือสติสมาธิมันก็อ่อนกำลังได้หมดกำลัง พอหมดกําลังมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราอยากที่จะทําให้ทรัพย์ภายในที่เราหามานี้ไม่หมดไม่ต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องทําบุญระดับที่สูงกว่าระดับสมาธิบุญที่สูงกว่าระดับสมาธิก็คือปัญญาวิปัสสนาเราต้องมี ความสามารถที่จะเห็นว่าเหตุที่ทำให้บุญเราหมดก็คือความอยากของเรานี่เองกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันจะทำให้บุญที่เราได้สร้างเอาไวจากการนั่งสมาธิหมดได้ถ้าเราไม่อยากให้บุญที่เราได้จากสมาธินี้ไม่หมดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆ ความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ดีมันไม่เที่ยงเราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นของเราอยู่กับเราได้เป็นตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราอยากได้พอได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มันก็หมดไป บางทีมันยังไม่ไปแต่ความสุขที่เราได้จากมันนี้มันหมดไปแล้วเหมือนผลไม้ที่เร า, าบีบเอาน้าออกมาหมดแล้วน้าผลไม้แต่ตัวตัวเปลือกตัวเนื้อของผลไม้ยังมีอยู่แต่มันไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วเช่นข้าวของที่เราซื้อมาเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อมา เวลาได้ซื้อมาเราก็มีความสุขหลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็ไม่ได้สุขกับมันละมันก็ยังอยู่กับเราแต่มันไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่เราซื้อมาจากร้านแล้วมันจะกายทำให้เราทุกข์ได้เวลามันหายไปเวลามันหมดไปจากเราไปอันนี้คือปัญญา ที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่ว่าเราจะได้อะไรมาจะเป็นอะไรจะมีอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องหมดเวลาหมดก็จะทำให้เราเสียใจอันนี้คือปัญญาถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ทรัพย์ภายในที่เราหามาได้ ก็จะอยู่กับเราไปตลอดสัปภายในที่ได้มาได้จากการทําใจให้สงบก <c oughs> ็จะสงบทําให้ใจสงบไปตลอดใจที่สงบไปตลอดก็จะอยู่ที่นิพพานเออยู่ <c oughs> เหนือสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไป <c oughs> สวรรค์ชั้นพรหมนี่มันเสื่อมได้แต่สวรรค์ชั้นนิพพานนี่ไม่เสื่อมะ จะให้ความสุขกับเราไปตลอดทรัพย์ภายในเราเรียกว่าอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ถาวนทรัพย์ภายในที่ถาวรแต่ทรัพย์ที่ได้จากพรมได้ไปพรหมโลกได้ไปเทวโลกนี้ยังเป็นทรัพย์ไม่ถาวรยังมีวันเสือ่อมวันหมดได้เพราะยังมีตัวความอยากที่จะคอยดึง คอยทำลายทรัพย์คือความสงบเนี่ยให้หมดไปเพื่อที่จะดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แะถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่มาทำลายทัพย์ภายในของเราให้หมดไปเราก็ต้องทำลายมัน ความจริงนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นคนสเป็นผู้ส่งคนพบสงคนพราว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำลายความสงบของใจทำลายความสุขทำลายทรัพย์ภายในออพระองค์ก็เลยต้องกำจัดมันทำลายมันด้วยการไม่ทำตามที่มันต้องการออมันอยากดูก็ไม่ให้มันดูอยากฟังก็ไม่ให้มันฟัง อยากกินอยากดื่มก็ไม่ให้มันกินแม่มันดื่มให้มันกินได้เฉพาะเวลาที่มันร่างกายต้องการถ้าเป็นการให้ต่อความต้องการของร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากถือว่าเป็นการความจาเป็นถ้าสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ จะหยุดได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่ดีนะมันไม่ดีอย่างที่เราคิดมันไม่สุขอย่างที่เราคิดมันสุขได้แต่เดี๋ยวมันหมดได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดมันต้องหมดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งสูบบุหรี่เดี๋ยวสูบไปหมดมวลมันก็หมดนะความสุขที่ได้จากบุหรี่นั้นก็หมด ต่อไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพาะอยากจะสูบใหม่ก็ต้องหาบุหรี่ใหม่มาสูบถ้าหาไม่ได้ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆอนี่คือต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงอริยนนัง อ, าอนาตตาเราห้ามเราทำให้มันเที่ยงไม่ได้ สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้มันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะหมดก็หมดยันถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้เราจะเห็นว่าความสุความสงบนี้อยู่กับเราได้ต่อไปถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วความสุข ของความสงบเรื่อนี้ก็ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําอะไรตามความอยากต่างๆออันนี้ก็คือการที่จะทําให้ทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ถาวรการจะทําให้ทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ถาวรก็ทําแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ทําให้เอ่อ ทรัพ์ที่เราหามาได้นี้ อ, อถาวรแต่แต่ต้องกลับมาออกลับมาทำลายออความอยากที่เรายังไม่สามารถทำลายได้หมดเราจะกลับมาไม่เกินเจ็ดครั้งออกลับมาเพราะว่าทรัพย์ที่เราได้ภายในมันยังถูกขานอยาก ที่เรามีอยู่ในใจทาลายอยู่มันจึงทำให้เรากลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดครั้งถ้าได้ระดับที่สองก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเพียงครั้งเดียวถ้าระดับที่สามก็ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดในระดับในโลกมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในโลกของพรหมแล้วพอเราได้ระดับที่สี่เราขับ เรากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปก็จะไม่มีความอยากที่จะทำให้เราสูญเสียทรัพย์ภายในเราไม่ต้องกลับมาหาทรัพย์ภายในกันอีกต่อไปทรัพย์ภายในจะมีอยู่ในใจของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่ทรัพย์ภายในระดับนี้เรียกว่านิพพานผู้ที่ได้ทรัพย์ภายในที่อยู่กับใจไปตลอดนี่ เราเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานก็ได้หรือเรียกคำว่านิพพานเฉยๆก็ได้อันนี้อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกที่มีร่างกายแต่โลกทิพย์กับโลกที่มีร่างกายก็อยู่คู่กันได้อย่างตอนนี้เรามีร่างกายเรามีใจความจริงใจเราไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายใจของเราอยู่ในโลกทิพย์ แต่ใจเราส่งส่งกระแสมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอยู่ในโลกทิพย์แต่เรามีตาตาของร่างกายที่จะรับรูปต่างๆให้เราก็ส่งรูปนี้ไปรูปชนิดต่างๆที่เราเห็นด้วยตานี่ ส่งไปให้ใจใจก็เสพรูปเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยดูทีวีทีวีเขาก็ส่งมาตามตามอากาศสัญญาณเรามีเสาอากาศเราก็รับสัญญาณแล้วก็เอาสัญญาณ น, นี้เอาเข้ามาในเครื่องทีวี เครื่องทีวีมันก็แปลงสัญญาณมาให้เป็นภาพให้เราเห็นเป็นเสียงให้เราได้ยินใจเราก็เหมือนกันใจเราก็อยู่ในโลกทิพย์แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนสาวกาศสาวกาศอยู่ในโลกโลกกราสสาวกาศนี้ก็จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแล้วก็ส่งไปให้ใจใจก็จะมีเครื่องแปลงสัญญาณ ให้กลายเป็นรูปเสียงกิจลดให้ใจได้สัมผัสรับดูนี่คือใจอยู่ในโลกทิพย์แต่มาเสบเสพสิ่งที่มีอยู่ในโลกกระทะผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเสรารอากาศที่จะรับสัญญาณอที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกาย แล้วก็ส่งไปที่ใจงนั้นใจเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เวลาเกิดอะไรที่ร่างกายมันก็จะไม่ไปถึงใจเช่นเกิดมีระเบิดขึ้นมาทำให้ร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับสาวาสถูกถูกอะไรระเบิดมันก็เพียงแต่ไม่สามารถส่งสัญญาณ ไปให้ใจได้เท่านั้นเองไม่สามารถส่งรูปเสียงกดลดิ่นรสผลตระระไปให้ใจใจไม่ได้เป็นอะไรเมื่อสาวากาศเสียใจก็เลยต้องไปหาสาวกาศใหม่เพราะใจยังอยากยังอยากครับสัญญาณทางทางโลกนี้อยู่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่คือรูปเสียงกดลดิ่นรสผลตะ ก็ต้องไปหาสาวกะอันใหม่คือร่างกายอันใหม่อันนี้คือใจหรือจิตหรือดวงวิญญาณที่ชอบถามกันเลยว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยูอ่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิศโลกทิศนี้ไม่เหมือนกับโลกกฐานโลกกฐ า, านนี้มีมีขนาดมีรูปร่างหน้าตาโลกทิศนี้ไม่มีขนาด ไม่มีความกว้างความสูงความความลึกความยาวมีแต่มีแต่ความคิดมีแต่ความรู้สึกนึกคิดจิตแต่ละดวงนี้มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความอยากจึงใช้ความความอยากนี้เลยส่งกระแสส่ง ส่งกระแสมาหาสาวอากาศส่งมารับสัญญาณจากสาวอากาศเหมือนสายไฟสายที่เราเชื่อมกับสาวอากาศไปสู่จอสู่เครื่องเครื่องโทรทัศน์เนี่ยนอกจากมีสาวอากาศแล้วเราก็ยังต้องมีสายที่เชื่อมกับสาวอากาศกับจอโทรทัศน์เครื่องโทรทัศน์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เอาสัญญาณจากสาวอากาศ นี่มาแปลงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นภาพเป็นเสียงใจนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเครื่องโทรทัศน์นี่เองที่จะรับสัญญาณจากสภาวะมาแปลงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นสรสผดผลาญอีกทีหนึ่งสภาวานี้ก็รับรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญแล้วก็ส่งเข้าไปที่เครื่องโทรสา้เครื่องโทรทัศน์อีกทีหนึง่ง ใจนี้เป็นเหมือนเครื่องโทรทัศน์ร่างกายนี้เป็นเหมือนเสาอากาศเสาอากาศที่รับสัญญาณรับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ส่งไปที่ใจใจก็แปลงสัญญาณว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรแล้วพอรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นชนิดอะไรก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมา เพราะเคยเคยเสพเคยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาจนเคยชินจําได้หมายรู้พอเห็นรูปก็จะรู้ว่าเป็นรูปนี้เป็นอะไรถ้าเคยให้ความสุขก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเคยให้ความทุกข์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ให้ความสุขไม่ให้ความทุกข์ก็จะเกิดเฉยๆขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรส ต่างๆที่เข้ามาสู่ใจนี้มันจะมันจะให้ความรู้สึกสามชนิดสุขบ้างไม่สุขบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างแล้วแต่ว่าอาจิตเคยไปสัมผัสรับรู้กับมันในรูปแบบไหนเคยสัมผัสรับรู้ว่าเป็นสุขมันก็จะสุขเคยสัมผัสรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะทุกข์ ถ้าไม่รู้ว่ามันสุขหรือไม่ทุกข์ไม่เคยสัมผัสรับรู้ก็อาจจะไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เช่นเราเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันสุขหรือทุกข์ใจเราก็เลยไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์กับภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ภาพที่เราเคยเห็นแล้วเราจะจำได้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์ตัวที่จาได้นี้ก็คือตัวสัญญาเรียกว่าสัญญา ตัวที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผดัผบเ ข, เข้ามาให้กับใจเรียกว่าวิญญาณวิญญาณรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาสัญญายก็จะมามาตรวจสอบดูว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนเคยเคยรู้จักหรือไม่รู้จักถ้ารู้ก็จะรู้ว่าสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้ก็อย่างเฉยเฉยไว้ก่อน ต้องเรียนรู้กันว่ามันเป็นภาพเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์นะเช่นว่างที่เราเจอคนใหม่ๆเราไม่เคยรู้จักเราก็จะไม่รู้ว่าจะสุขดีหรือจะทุกขด์ดีแต่พออยู่เขาสักพักเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาพูดดีทำดีหรือพูดไม่ดีทำไม่ดีพูดถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราทำอะไรถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราตอนนั้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่า คนนี้ทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของใจไปกับเหตุการณ์ไปกับสิ่งที่ตนเองไม่เคยสัมผัสรับรู้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์แต่รูปสำหรับคนบางคนเคยเห็นเคยรู้อยู่แล้วรู้ว่าคนนี้เคยให้ความสุขพอเห็นเขาปั๊บก็ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา พอเห็นคนที่เคยให้ความทุกข์พอเจอปั๊บมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือสัญญาตัวที่ทำหน้าที่ให้เรารู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นสัมผัสนี้ดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยตัวสัญญาพอตัวสัญญาทางานมันก็ทำให้เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์ขึ้นมาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา พอเกิดความสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดสังขารตามมาสังขารก็คือความคิดว่าจะทำไงดีกับสิ่งที่เราได้สัมผัสถ้าสุขก็ก็อยากได้ถ้าทุกข์ก็ไม่อยากได้สังขารก็จะสั่งให้ร่างกายถ้าสุขก็ไปหาไปหาเขาเลยหรือไปเอามาเลยถ้าเป็นข้าวของถ้าทุกข์ก็โยนทิ้งไป อย่างนี้เป็นสังขารเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตนี้มีทั้งผู้รับแล้วก็มีผู้ส่งเป็นผู้รับแล้วเป็นผู้สั่งอตอนต้นรับข้อมูลเข้ามาก่อนผ่านทางร่างกายพอรู้ว่าข้อมูลที่รับเป็นยังไงก็สั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่อไปกับสิ่งที่ร่างกายไปสัมผัสรับรู้อ่านี่ก็คือเรื่องของร่างกายกับใจอใจนี้อยู่ในโลกที่ใจนี้แหละที่จะต้องอาศัยบุญอบุญก็คือการทำความดีต่างๆทำทานทำอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขก็จะได้บุญ แล้วบุญนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจ ừ, ừ, เวลาที่ไม่มีร่างกาย ừ, ใจก็อาศัยความจำที่เคยทำบุญนี้มาสร้างความสุขให้กับใจ ừ, ừ, ก็จะมีเรื่องเหตุการณ์ดีๆที่เราจดจำเอาไว้มาหล่อเลี้ยงจิตใจเรา ừ, ừ, ถ้าเราทำบาป ก, ก็มีแต่เรื่องไม่ดีมาหล่อเลี้ยงจิตใจเรา ừ, มันก็จะทําให้ใจเราทุกข์อันนี้ก็คือเรื่องของเวลาที่ไม่มีร่างกายเช่นเวลานอนหลับหรือเวลาตายไปนี้ใจก็ไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางร่างกายได้ไม่มีอะไรให้เสพสัมผัสก็เลยต้องอาศัยสิ่งที่เคยเสพสัมผัสที่ฝังอยู่ในใจมาเสพสัมผัสแทน เช่นถ้าเราไม่สามารถดูถ่ายทอดสดได้ดูรายการสดได้เราก็อาศัยรายการที่เราอาัดบันทึกไว้ดูเช่นเราอยู่บ้านเราอยากจะดูดูอะไรดูฟุตบอลดูกีฬาถ้าเกิดสัญญาณที่รับส่งมันชํำรุดเสียหายเสารอากาศรับสัญญาณไม่ได้ ถ้าเราอยากจะดูกีฬาเราก็ต้องดูกีฬาที่เราบันทึกไว้อันนี้ก็เหมนกั น, นจิตเราเวลาที่ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถรับข้อมูลสดได้เมื่อรับข้อมูลสดไม่ได้แต่จิตมันเหงาไม่มีข้อมูลมันอยู่แล้วมันมันหิวมันก็เลยต้องอาศัยข้อมูลเก่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ก็คือกิจกรรมต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่จิตได้ไปทำไว้ในแต่ละวันมันก็จะแยกออกเป็นสองฝ่ายกิจกรรมที่ดีกับกิจกรรมที่ไม่ดีเแล้วเวลาที่เราไม่สามารถดูของสดได้เราก็ต้องดูของที่เราอัดบันทึกไว้ที่มันจะโผล่ขึ้นมานี้ก็อยู่ที่ว่าตัวไหนมี มีมีกำลังมากกว่าถ้าเหตุการณ์ที่ดีมีกำลังมากกว่ามันก็จะโผล่ให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่ดีถ้าเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีกำลังมากกว่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาแทนเหตุการณ์เหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นความฝันฝันดีฝันไม่ดีเวลาที่เราไม่มีร่างกายเช่นเวลาที่เรานอนหลับ หรือเวลาที่ร่างกายตายไปถ้านอนหลับก็ฝันชั่วคราวฝันไม่กี่ชั่วโมงถ้าตายก็ฝันยาวฝันเป็นปีจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นนะที่เราเรียกว่าไปไปเสด บ, บุญไปเสวยบุญหรือไปรับผลบาปนะถ้าทำบุญก็เหมือนกับไปไปท่องเที่ยวไป ไปมีไปเสพสุขกันถ้าทำบาป ก, ก็ไปรับโทษไปใช้กรรมในอบายด้วยการรับสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองได้ทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าที่จะเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ได้บันทึกไว้มันหมด เราถึงจะมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราไม่อยากจะเกิดใหม่เราก็ต้องหยุดตัวความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่อยากจะกลับมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแบบแบบถ่ายทอดสดต้องมีร่างกายก็จะต้องกลับมาหาหาร่างกาย เพื่อจะได้มาสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์สดสดร้อนๆ้อนนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าการมามาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะกลับมาสัมผัสกับความกับสิ่งต่างๆแบบแบบถ่ายทอดสดนะ เ้าถ้าเราตัดความอยากต่างๆได้เราก็เสพกับความสงบความสงบก็คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการ เ, าเสพรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีร่างกายจะต้องทุกข์ด้วยที่เรามีร่างกายเราก็ต้องทุกข์กับร่างกาย ทุกเพราะร่างกายต้องเลี้ยงดูมันต้องหาอาหารหาอะไรต่างๆหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ได้ดีมันก็อยู่ไปได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายก็ทุกข์อีกความสุขที่เราหา ให้กับใจมันก็จะหมดตอนที่ร่างกายมันทุกข์เพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้อฉนั้นคนที่ไม่อยากจะเจอความทุกข์แบบแบบซ้ำซากก็ต้องหยุดความอยากต่างๆก่อนจะหยุดความอยากต่างๆก็ต้องสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ก่อนคือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ เป็นทรัภ์ภายในที่สูงสุดที่ดีที่สุดดีกว่าทรัภ์ภายในที่ได้จากการทำทานจากการรักษาศีลถ้าอยากจะได้ทรัภ์ภายในที่ถาวรต้องเอาทรัพ์ในระดับสมาธิแล้วก็มารักษาป้องกรรันซั์ในระดับสมาธิด้วยการทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายทรัพ์ ในระดับของสมาธิให้หมดไปถ้าทำลายความอยากต่างๆได้ทรัพในระดับสมาธิก็จะอยู่อย่างท้าว อ, อนพออยู่อย่างท้าว อ, อนมันก็จะขับขยับขึ้นไปอยู่ในนิพพานต่อไปเพราะในระดับพรมมันยังต้องเสื่อมในระดับนิพพานนี้ไม่เสื่อมไม่มีวันหมดความสงบที่เราได้จากสมาธิจะไม่มีวันหมด ถ้าเราสามารถทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบนี้ได้อันนี้ก็เป็นทรัพย์สูงสุดทรัพย์ภายในสูงสุดทรัพย์ภายในที่ถาวรในเบื้องต้นเราก็จะได้เป็นขั้นๆไปก่อนในทรัพย์ภายในที่ถาวรแต่ยังไม่ถาวรเต็มที่ยังต้องกลับมา ยังเพราะเรายังทำลายความอยากไม่ได้หมดความอยากมันก็ยังทำให้ทรัพย์ที่เราทำนี้มันมันคล่องมันทำให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เจ็ดครั้งถ้าเป็นโสดาบันหนึ่งครั้งถ้าเป็นสกิดาคามาีถ้าเป็นพรถ้าเป็นอนาคามีก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปติดอยู่สวรรค์ช่านพรหมอยูอ่ที่ยังเสื่อมได้อยู่ะ ก็เลยต้องกำจัดความอยากในระดับสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถึงจะขึ้นไปสู่ระดับนิพพานได้ต่อไป น, นี่ก็คือเรื่องของทรัพ ย, ย์ภายในที่เราสามารถมีกันได้แต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้แต่เรื่องทรัพย์ภายนอก ูแต่วิธีหาความสุขจากทรัพย์ภายนอกที่จะต้องมีมีอุปสรรคมีปัญห า, าที่จะทำให้แทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์อย่างความทุกข์ต่างๆที่เราเจอกันทุกวันนี้มันก็เกิดจากการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหา จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมันไม่แน่นอนอมันเป็นความสุขชั่วคราวามันได้แล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้หมดไดเ้เราเลยต้องทุกกับสิ่งต่างๆที่เราได้มานะมีอะไรเราก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราได้อทุกข์เพราะหวงะทุกข์เพราะหวงได้อะไรมาแล้วก็หวงแล้วก็หวง เราไม่อยากให้มันจากเราไปแต่เราห่วงยังไงห่วงยังไงเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องจากเราไปมันไม่จากเราเราก็จากมันไปอนนี่คือวิธีหาความสุขจากทรัพย์ภายนอกของพวกเราที่ไม่ได้เพียงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้ความทุกข์แถมมาด้วย ทุกวันนี้พวกเราต่อให้มีเงินทองมากมายเพียงไรมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงไรพวกเราก็ยังทุกข์กันอยู่ทุกข์กับทรัพสมบัติทุกข์กับข้าวของเงินทองทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะเราไปไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเองเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ เราก็เลยต้องเจอความทุกข์กันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นกับทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้แต่จะไม่เป็นกับคนที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาจะบอกให้เรารู้ว่าทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทุกข์ให้มาหาทรัพย์ภายในยดีกว่า มาสร้างทรัพย์ภายในที่จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรถ้าเราสามารถอปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างทรัพย์ภายในนี้ได้ท่านทรงสอนสามขัน้นขั้นแรกให้ละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทําบาปแล้วจะไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยากในโลกทิพย์ เราก็ให้ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมจะได้ไปเสพสุขในโลกทิพย์แล้วถ้าอยากจะให้การเสพสุขในโลกทิพย์นี้เป็นความถาวรก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเรียกว่าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระพุทธศาสนาทุกๆยุคทุกสมัยจะสอนสามข้อนี้เป็นหลักละการกระทำบาปทั้งปวงท้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเอชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยราจะทําให้เราเข้าถึงอริยสัพพ์ที่ถาวรนสัพที่จะให้ความสุขที่ถาวรแก่พวกเราสัพ์ที่จะไม่ ให้เราต้องเจอกับความทุกข์อีกต่อไปเพราะจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่ต้องใช้ทรัพย์ภายนอกถ้าเราได้ทรัพย์ภายในที่ที่สูงสุดคือพระนิพพานเราก็ไม่ต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพบนะในการมาพบพบของมนุษย์พบของเทวดา พบของเดรลฉานนี่เรียกว่ากามาพบพบของผู้ที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภะอยู่ส่วนรูปประพบกับรูปประพบเป็นพบของผู้ที่หยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ด้วยการทําใจให้สงบเสพความสุขที่ได้จากความสงบแทนเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาแต่ก็ยังแต่ก็ยังเป็น ความสงบความสุขชั่วคราวเพราะยังมีกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้รับการชาระที่จะคอยทำลายความสงบที่ได้จากการทำใจให้สงบจากสมาธิพอใจออกจากสมาธิมาก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อยากจะอยู่ในโลกทิพย์ไปตลอด ก็ต้องทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไปอยากรูปเสียงกิจลรสผลิธภัก็ต้องหยุดมันอยากมีอยากเป็นก็ต้องหยุดมันหยุดไม่มีไม่เป็นก็ต้องหยุดมันอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้อยากไม่ได้อย่างนั้นอยากไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องหยุดมันจะได้อะไรก็ต้องให้มันได้ไปจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปอย่าไปอยากให้มันไม่เป็น หรือไม่เป็นก็อยากเป็นเห็นเขาเป็นนายกก็อยากจะเป็นนายกก็อยากไปอยากเห็นเขาล่ำรวยก็อยากไปล่ำรวยอันนี้อยากไปอยากนี่เร่าความอยากเป็นความอยากไม่เป็นก็คือไม่อยากแก่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ก็อยาาอยากไปอยากอยากแล้วมันจะทาให้ใจเราทุกข์ทาให้ใจเราตกออกมาจากสวรรค์ ทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องหยุดความอยากด้วยการใช้สมาธิใช้ปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญาเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์และสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป ไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมไปหมดไปอันนี้คือเรื่องของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะได้เรียนรู้ว่านอกจากทรัพย์ภายนอกแล้วยังมีทรัพย์ภายในที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ตายไปก็หมดแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาใหม่กี่ครั้งก็ต้องหมดทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะต้องกลับมาหาใหม่แล้วต้องมาสูญเสียมันตอนที่แกเจ็บตายก็ต้องมาหาทรัพย์ภายในแทนทรัพย์ภายในก็เกิดจากการละการทาบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันอไม่คบคนที่ชอบเสพอบายามุขเป็นมิตรไม่คบกับคนที่ชอบทำบาปเป็นมิตรเนี่ยแล้วก็ความเกียรติค้านอาันนี้คือสิ่งที่ต้องละถ้าไม่อยากที่จะไปพบกับความทุกชนิดต่างๆ ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปถ้าอยากจะมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปก็ให้ทำบุญทำความดีต่างๆทำได้หลายรูปแบบมีเงินทองเขา้าของก็แจกจ่ายให้ผู้อื่นแบ่งปันให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนแบ่งความสุขให้กับเขาถ้าไม่มีเงินทองก็ทำอย่างอื่น ทำงานมีแรงงานช่วยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยทํานู่นช่วยทํานี่ก็ได้ให้เขามีความสุขทําอะไรก็ได้ที่ให้คนคนอื่นมีความสุขก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้แต่พูดคำํคำคาไปเลาะก็ทําให้คนมีความสุขได้ยิ้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็ทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้น ไม่จําเป็นแล้วว่าต้องจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวถึงจะทาบุญได้วิธีทําบุญนี้มีหลากหลายวิธีทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้หลายวิธีทํางานให้เขาสอนหนังสือสอนให้เขามีความรู้อันนี้ก็เป็นการทําให้เขามีความสุขได้อันนี้ก็คือเรื่องของกุศลทั้งหลายที่จะทําให้ ทำให้เรามีทรัพย์ภายในติดตัวไปการไม่ทำบาป ก, ก็ทำให้เราไม่ต้องไปใช้ใช้กรรมในในโลกทิพย์เวลาที่เราตายไปถ้าเราทำบาปแทนที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปใช้โทษไปรับโทษในอในคุกในตารางแล้วถ้าเราอยากจะไป สู่โลกทิพย์ที่สูงกว่าโลกของเทวดาก็ต้องฝึกทมสมาธิทาใจให้สงบด้วยการเจริญสติใจจะสงบนี้ต้องมีสติเป็นตัวหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่มีสติก็จะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้ใจก็จะไม่สงบใจก็จะเข้าสู่โลกทิพย์ระดับพรหมโลกไม่ได้ เหตนถ้าอยากจะเข้าสู่โลกที่ระดับพรมโลกที่มีความสุขมากกว่าระดับของของเทวโลกเราก็ต้องมันจเจริญสติการจเจริญสติได้นี้เราต้องหยุดกิจกรรมต่างๆต้องไปอยู่คนเดียวอถ้าเรายังทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เยังยังไปดูหนังฟังเพลงไป หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราจะไม่สามารถควบคุมหรือหยุดความคิดได้เพราะเราต้องใช้ความคิดในการไปไปเสพกามนี่เองไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายต้องคิดว่าไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินอะไรดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีขณะที่ดูที่กินก็คิดไปกับสิ่งที่ดูสิ่งที่กินมันก็จะไม่มีวันสงบมันนิ่งได้ ถ้าอยากจะนน่งต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะก็ต้องถือศีลศีลแปดขึ้นไปศีลแปดจะห้ามให้เราไม่ให้เข้าหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสพอเราไม่ได้เสบเราก็ไม่ต้องคิดนะพอเราไปอยู่คนเดียวถ้าใจมันจะคิดก็ต้องใช้สติหยุดมันะถ้าใจคิดอยากจะไปเสบก็ต้อง ใช้สติหยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องสร้างสติด้วยการนำนึกถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนำนึกถึงพุทโธพุทโธไปพอจะคิดถึงขนมก็อย่าให้มันคิดให้มันคิดถึงพุทโธแทนพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดถึงขนมก็จะหายไปคิดถึงละครก็เหมือนกันก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะเลิกคิดถึงละครได้ะ พอมันไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรั้เวลานั่งเฉยๆมันก็สงบมันก็จะนิ่งได้แต่นั่งเฉยๆก็ต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดหรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปคิดถึง ละครไม่ไปคิดถึงขนมไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเนพอเราหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนี้ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นผรอมเวลาตายไปแล้วถ้าจะไปแบบไม่กลับ ก็ต้องหยุดความอยากที่อยากจะกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสเวลาออกจากสมาธิมาพอจะอยากดูละครอยากจะกินขนมก็ต้องหยุดมันต้องหยุดด้วยปัญญาถึงจะหยุดได้อย่างถาวรวิจะหยุดขนมก็ให้ดูขนมที่ตอนที่มันไม่น่ากินอย่าไปนึกถึงขนมตอนที่มันน่ากินให้นึกถึงขนมตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่ถ่ายออกมา พอเห็นขนมแบบนี้ก็ไม่อยากจะกินนะหรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องให้รู้ว่าเดี๋ยวต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องหายไปหมดไปจากเราไป ừ, ให้เห็นตายรักให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของสิ่งต่างๆอย่าไปเห็นของที่สวยงามของที่สวยงามเห็นแล้วอยากได้ต้องเห็นของที่ไม่สวยงาม ถ้าอยากได้อะไรให้มันนึกถึงตอนที่มันไม่สวยงามแล้วมันก็จะไม่อยากได้อันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้จิตไม่ต้องลงมาจากสวรรค์ชั้นผมไม่ต้องออกมาจากโลกที่กลับมาที่ร่างกายแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่ความอยากมันจะดึงจิตให้กลับมากลับมาหาร่างกายอันใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมามีร่างกายอันใหม่ต้องหยุดความอยากทั้งหลายให้หมด ถ้าหยุดความอยากทั้งหลายได้หมดได้จิตก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกของร่างกายกต่อไปจิตก็จะอยู่ในโลกทิพย์ไปอย่างท้าวอนอยู่ในโลกทิพย์ในระดับที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขโลกทิพย์ที่ไม่มีความเสื่อมโลกทิพย์ที่ไม่มีความเสื่อมก็คือพระนิพพานถ้ายังเป็นโลกทิพย์ของเทวดาของพรหมอยู่นี่ยังเป็นโลกทิพย์ที่มีความเสื่อม ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของการมาหาทรัพย์ภายในทรัพ์ภายในก็เหมือนทรัพย์ภายนอกมีหลายราคาเหมือนอข้าวของต่างๆมีหลายราคาใช่ไหมรถยนต์มีหลายราคามีหลายระดับระดับถูกระดับกลางระดับแพงก็เป็นรถยนต์เหมือนกันทรัพย์ภายในก็มีหลายระดับระดับถูก ระดับกลางระดับแพงระดับถาวรระดับถูกก็ทรัพย์ภายในที่เกิดจากการทำบุญละบาปทรัพย์ที่มีราคามากกว่าทรัพย์ที่ได้จากการทำบุญก็คือการทาใจให้สงบฝึกสมาธิก็จะได้ของระดับที่แพงกว่าดีกว่าระดับของทรัพย์ที่ได้จากการทำทานรักษาศีล ถ้าอยากจะได้ทรัพย์ที่ทาววอก็ต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาเพื่อมากําจัดความอยากต่างๆที่จะคอยดึงใจให้ออกจากทรัพย์เหล่านี้กลับมหาหาทรัพย์ภายนอกมาหาร่างกายถ้าตัดความอยากได้หมดก็จะไม่มีตัวดึงใจให้มาหาร่างกายมหาทรัพย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทรัพย์ภายนอกอ ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็จะอยู่กับทรัพย์ภายในไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเนะอ่านี่คือเรื่องของรั์ภายนอกและซับภายในอย่าหลงหายอยู่แต่ทรัพย์ภายนอกเพราะจะต้องเสีย อ, อกเสียใจจะต้องร้องห่มร้องไห้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเวลาที่มีการพัดพากจากกันไป แต่ถ้าหาทรัพย์ภายในแล้วมันจะทำให้เร า, อ, าอยู่กับมันไปได้ตลอดถ้าเราได้ทรัพย์ภายในระดับท้าวอนถ้ายังไม่ได้ระดับท้าวรนอย่างน้อยเวลาที่เราจากร่างกายไปเราก็จะไปอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในเลยมีแต่มีแต่บาปทำแต่บาป เราก็จะไปทุกข์ยากลําบากในขณะที่เราตายไปนะก็นะนะคิดว่าขอให้ท่านเอาไปคิดดูเอานะว่าเรายัางต้องไปต่อเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดและการที่เราจะไปต่ออย่างสบายต้องอาศัยทรัพย์ภายใน อ, ยอาศัยการละบาปอาศัยการทําบุญอาศัยการทําใจให้สะอาดบริสุทธินะ์ นี่คืองานสําคัญที่เราควรจะทํากันทําได้แล้วเราจะมีแต่ได้อย่างเดียวได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไปต่อไปจะได้แบบท้าววร์ได้ความสุขแบบท้าวรดับความทุกข์ได้อย่างท้าววรถ้าเราทําได้ครบถึงขั้นที่สามถ้าทำำําชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป อา น, นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตูทินังเปตานังอุ ป, ปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา พิภวาทนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบ y o u t u หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนเขายี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดคนครับก็ยังเกินหกร้อยอยู่น ะ, ะมีคำถามไหมก็มีคำถามก็ถามได้คำถามจาก คุณมงคลกระผมนั่งสมาธิตลอดสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่ปีส2สองเป็นต้นมาวันละสองชั่วโมงคือนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงที่เจอคือจะปวดขามากนั่งไม่ครบตามเวลาสักทีจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับก็ต้องใช้สติให้ ฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นเวลาไม่ได้นั่งเวลาไม่ได้เดินก็ยังต้องเจริญสติต่อไปถ้ามาทําแค่สองชั่วโมงแล้วเอกยี่สิบสองชั่วโมงไม่ทําเลยมันก็ไม่มันก็จะติดอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นนอกจากสองชั่วโมงที่เราทําแล้วเอกยี่สิบสองชั่วโมงเราก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดเพอ้อฝันเพอ้อเจอคิดเท่าที่จาเป็นถ้าไม่จาเป็นง่ายให้ใช้พุโทโธหยุดมันถ้าเราหยุดใช้พุโทโธได้ต่อไปเวลาเรานั่งรถเจ็บเราสามารถใช้พุโทโธี้ทำให้ใจเราสงบแล้วไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายได้คำถามจากคุณโอกาวะกราบนรมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมขอเรียนถามตัวหยุดความอยากนี่คือความคิดของเราใช่ไหมครับไม่ตัวหยอดความอยากก็คือตัวที่หยุดความคิดไงก็คือตัวสติเช่นกำลังอยากจะสูบบุหรี่เราก็ใช้ถ้าเราบอกให้มันหยุดคิดไม่ได้มันยังคิดอยากจะสูบอยากจะสูบอยู่เราก็ต้องใช้พุทธโธสร้างสติขึ้นมา เราก็พุโทโธพุโทโธไปแทนที่จะคิดบุรีบุรีเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้ต่อไปเขากำคิดถึงบุรีก็จะหายไปแล้วความอยากบุรีก็จะหยุดไปครับคำถามจากคุณโอกาวาในขณะที่นั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้ช่วงหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็มีความคิดในเรื่องอื่นเข้ามาแทรก ผมพยายามตัดความคิดแล้วมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกมันเป็นแบบนี้สลับกันไปครับพระอาจารย์ครับผมจะแก้ไขยังไงผมทราบตัวดีว่าสมาธิผมยังไม่นิ่งก็เนี่แหละก็สติเรายังมีกำลังน้อยต้องพยายามฝึกสติให้บ้า ง, างให้บ่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิก็เดินจงกรมเท่านั้น เราต้องพยายามฝึกสติไปตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลาหลับเท่านั้นแล้วต่อไปสติเราจะมีกำลังมากจะทำให้เรานั่งได้นานขึ้นคำถามจากคุณพรพิมลพระอาจารย์คะการที่นักบวชแม่ชีมุสากับบุคคลทั่วไปเพื่อหวังผลประโยชน์จะเป็นบาปหนัก กว่าบุคคลทั่วไปที่มุสาไหมคะไม่เรา ก, ก็เท่ากันมุสาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นแม่ชีหรือคนธรรมดามันก็เป็นมุสาเหมือนกันคำถามจากคุณพลพิทักษ์กราบสอบถามครับการถืออุโบสถศีลกินข้าวได้มือเดียวหรือกี่มือก็ได้แต่กินก่อนเที่ยงครับ อ, อุโบสถศีลก็ อนุญาตให้กินได้กี่ครั้งก็ได้แต่ไม่ให้้หกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วถ้าเผลอร้องเพลงผิดอุโบสถศีลด้วยไหมครับไม่ผิดเนาะเพราะว่ามันเป็นอกุศลมันเป็นการขาดสติเป็นการร้ อ, องลำทำเพลงมันก็ผิดนยน ะ, ะ, ะก็ผิดอย่างนผิดศีลข้อเจ็เพราะว่าห้ามไม่ให้ร้องลำทำเพลง คำถามจากคุณวิราวันณขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ามักมีองแปดเจ้าค่ะมักแบบว่าทางนทางนี้มีส่วนประกอบอยู่8ปดแปดส่วนด้วยกันถึงแม้ว่ามักมีองแปดทางนี้คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่พระนิพพาน ผู้ที่ต้องการไปนิพพานจะต้องมีมรรคที่มีองแปดองแปดนี้มีตั้งแต่ข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์การยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสุขการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องหยุดด้วยหยุดความอยากทั้งสามประการนี่คือเรียกว่า ความเห็นท <ize> ี <IS> ่ถูกต้องถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการไปนิพพานต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้องเห็นว่าความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดจากความอยากคือการมะตันหาภาวตันหาวิภวะตันหาถ้าอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดกามะตันหาภาวตันหาวิภาวตัหานี่ลกนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องข้อที่หนึ่ง พอเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องซึ่งเป็นมรรคองค์ที่สองสัมมาสังกปะปูความคิดที่ถูกต้องก็คิดที่จะหยุดความอยากต่างๆโดยการรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี้เองก็จะนำไปสู่มรรคองค์ที่สามคือการกระทำที่ถูกต้องถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องละการกระทาบาปทั้งปวง สัมมากัมมันโตก็คือไม่กระทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆแล้วก็ข้อที่สี่ก็สัมมาวาจาการพูดก็ต้องพูดที่ถูกต้องก็พูดไม่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดเนี่ยแล้วก็ต้องมีอาชีพที่ถูกต้อง อาชีพที่ถูกต้องก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นหาเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นแล้วก็มาข้อที่หกข้อที่ห้าคือสมมาชีวะสัมมาชีโวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่หกก็คือความภาคเพียรที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องก็เพียร น, นักษาศีลเพียร น, นั่งสมาธิเพียร เจริญปัญญาก็มาข้อที่เจ็ดก็คือการมาสร้างสัมมาสมาธิคือมาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขาเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิก่อนที่จะมาถึงข้อที่เจดข้อที่แปนี่ข้อที่แปดสัมมาส ม, มาธิข้อที่เจคือสัมมาสติต้องฝึกฝึกจิตให้มีสติ และลิกรู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งโดยการเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็จะมีสติเป็นสัมมาสติขึ้นมาพอมีสัมมาสติก็จะสามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นข้อที่แปด สรุปก็มีแปดข้อสมมทิสติสมมาสังกปโปสมมากรรมโตสมมาวาจาสมมาอาชิวสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิอนี่คือมัตถถ้าใครมีทั้งแปดองค์นี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้คําถามจากคุณโอกาวา ผมสงสัยในเรื่องนิกายในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยใครเป็นผู้กำหนดนิกายในพุทธศาสนาทำไมถึงไม่กำหนดให้เหมือนกันครับก็เพราะว่ามันมีมีเหตุการณ์ที่ทำให้มันไม่เหมือนนี่สิมีเหตุมีปัจจัยคือาศาสนาพุทธเหล่านี้ตั้งแต่ยุคถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ยังเป็นนิกายเดียว พรมีพระพุทธเจ้าเป็นคนคอยสั่งคอยสอนคอยห้ามแต่พอไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันเอพระรูปหนึ่งเห็นว่าข้อนี้ศีลข้อนี้ควรจะเลิกพระอีกข้ออีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่ายังไม่ควรจะเลิกก็เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกไปอยู่เชนพระบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะเลิก ศินข้อที่ไม่ไม่สําคัญก็เลือกได้แต่ไม่รู้ว่าข้อไหนก็หลยไม่มีใครเลือกตอนต้นผ่านห้าร้อยรูปมาประชุมกันก็บอกว่าศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดที่พเจ้าส่งสอนให้รักษาใครรักษาต่อไปอต่ต่อมามีพวกที่เขาไม่อยากจะรักษาศีลบางข้อเขาก็มาบอกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องรักษาศีลเหล่านี้ก็ได้ เมื่อเขาไม่อยากจะรักษาเขาก็อะไรต้องยากไปตั้งเป็นนิกายของเขาขึ้นมาอันนี้เป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลมากกว่าเรื่องของการรักษาศีลที่ไม่เหมือนกันส่วยมาในเมืองไทยนี้เดิมทีเราก็มีนิกายเดียวมหานิกายทีนี้มหานิกายก็มีการประพฤติที่นอกลูก่นอกทางไม่ตรงกับ วินัยของพระในบางข้อพอมีพระเจ้าอยู่หัวหรือตอนนั้นเป็นเป็นเป็นเจ้าชายเรืนรัชกาลที่สี่ไปก่อนจะบวชท่านก็สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาก็เห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองไทยบกคล่องในศีลบางข้ อ, อ, อแล้วท่านก็เห็นมีพระ เป็นชาวมอญพวกนี้เขาเข่งขัดต่อผ้าวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้วอาเวลาท่านจะบวชท่านเลยมีศรัทธาไปบวชกับผ้ามอญแทนที่จะบวชกับผ้าไทยเขาไปบวชกับผ้ามอญพอท่านบวชก็มีบริสัทธ์บริวารมีลูกลูกน้องที่อยากจะมีศรัทธาตามบวชก็ไปบวชกับ กับท่านไปบวชกับพระมอญก็เลยตั้งเป็นคณะใหม่ขึ้นมาเป็นคณะธรรมยุทธขึ้นมา อ, อ, อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการมีนิกายต่างๆเพราะการประประปฏิบัติพร ะ, ระวินยัยศีล ข, ข้อต่างๆไม่เสมอกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็เลยต้องแยกกันไปเป็นนิกายแปคคำถามจากคุณกนิตฐา การอุทิศส่วนบุญเราสามารถอุทิศให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะและผู้ที่สิ้นก่อนอายุไขการอุทิศส่วนกุศลจะกล่าวคำอุทิศให้อย่างไรคะก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วจะตายแบบนั้นก่อนหรือหลังอายุไขก็ถือว่าตายก็อุทิศเหมือนกันขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับคนนั้นอนนี้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ก่อนจะอุทิศต้องทำบุญก่อนนะต้องถวายทานทำทานอย่างใดอย่างหนึ่งบรยจากเงินทองให้โรงเรียนโรงพยาบาลให้วัดว า, ารามอันนี้ใส่บาทสังฆทานทาต้องทำบุญก่อนถึงจะแบ่งบุญไปให้กับผู้ที่ลงรับแล้วไปได้ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อยากให้เขาได้บุญบุญก็คือความสุขใจนี้เองเมื่อเขายังอยู่ เราก็ซื้อข้าวของไปให้เขาเลยทำบุญกับเขาเลยแทนที่จะไปซื้ออาหารใส่บาตรพระก็ไปซื้ออาหารไปเลี้ยงเขาที่บ้านเลยเขาก็จะได้บุญได้ความสุขจากการที่เราเอาอาหารมาเลี้ยงเข า, าทำบุญกับคนเป็นก็ต้องทำด้วยของที่เขากินได้ใช้ได้แต่ทำบุญกับคนตายก็ต้องทำกับของที่เขากินได้ใช้ได้ไปซื้ออาหารเลี้ยงคนตายก็ไม่ได้ ก็เลยต้องซื้ออาหารแล้วให้ไปเอาไปให้คนอื่นแล้วแปลงมาเป็นบุญนะพอเป็นบุญเราก็สามารถส่งบุญที่เราทํานี้ไปให้กับคนตายได้เพรฉะนการทําบุญกับคนเป็นกับคนตายจึงมีวิธีไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้เงินจํานวนเดียวกันได้ถ้าเราอยากจะเลี้ยง ให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขเราก็ซื้ออาหารเหมือนที่เราจะซื้ออาหารใส่บาสนี้แล้วก็ไปให้คนที่มีชีวิตอย<ๆ>ู่พอเขาได้อาหารจากเราเขาก็ดีใจมีความสุข <öd. S 2> ส, ส่วนคนตายไปแล้วเราจะซื้ออาหารให้คนแบบคนเป็นก็ให้ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องเอาซื้ออาหารใส่บาทแล้วก็เอาบุญที่ได้จากการใส่บาสนี้ส่งไปให้เขาเอีกทีหนึ่งเพราะเต้องใช้ทรัพย์ภายในล้ทรัพย์ภายนอกเขาใช้ไม่ได้ คนตายนี่ต้องอาศัยทัพย์ภายในแต่คนเป็นนี่ยังละยังอาศัยทรัพย์ภายนอกอยู่เราก็ต้องให้ทรัพย์ภายนอกคนเป็นต้องการทรัพย์ภายนอกคนตายต้องการทรัพย์ภายในเอก็เป็นบุญเหมือนกันทัพยภายนอกก็เป็นบุญทรัพย์ภายในก็เป็นบุญคําถามจากคุณปราณีกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิมีตัวผู้รู้พอนั่งไปความคิด มันแวบออกไปข้างนอกหนูก็ดึงมันมาอยู่กับตัวผู้รู้มันก็แวบออกไปอีกอยากเรียนถามว่าควรทำอย่างไรดีเจ้าคะหนูไม่ถนัดพุทโธเจ้าคะ่ะก็ดูลมแทนอย่าไปดูตัวผู้รู้ผู้คิดให้ดูลมแทนให้จดจ่ออยู่กับลมนเดี๋ยวตัวคิดมันก็จะหยุดคิดเะแล้วก็จะเหลือแต่ตัวผู้รู้อยู่ตามลำพัง คำถามจากทางไลน์ครับจากคุณเต้ยการฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเบื้องต้นควรทาอย่างไรคะก็ฝึกสติก่อนไงก่อนจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนการฝึกสติก็มีหลากหลายวิธีที่เราพูดกันบ่อยที่สุดก็คือวิ2งวิธีคือใช้คมบริกรรมพุทธโธไป ถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะมีสติปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมเราก็ต้องคอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายของเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องให้อยู่กับการอาบน้ําอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ให้อยู่กับการอาบน้ําแปรงฟันก็ต้องอยู่กับการแปรงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เราทําแล้วใจเราก็จะหยุดคิด พอหยุดคิดที่แสดงว่าเรามีสติพอมีสติเวลาเรานั่งนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเวลานั่งเราก็พุโทโธไปนึกดูลมหายใจไปคำถามจากคุณนุชชาครับมีสามคำถามครับกราบนรัมสการพระอาจารย์ครับคำถามที่หนึ่งความหมายที่แท้จริงของภาษาธรรมที่ว่า สุญญาตาความว่างคืออะไรครับก็คือความว่างก็เหมือนไม่มีอะไรนั่นเองตอนนี้ที่ศาลานี้มันไม่ว่างเพราะมีข้าวของมีอะไรถ้าอยากให้ศาลานี้ว่างเราก็ต้องขนข้าวของที่มีอยู่ในศาลานี้ออกไปให้หมดศาลานี้ก็จะว่างใจเราก็เหมือนกันใจเราถ้าอยากจะให้มันว่างเราก็ต้องหยุดคิดถ้าเราหยุดคิดใจเราก็จะสงบนิ่ง ใจก็จะว่างขึ้นมานี่คือความว่างมีสองแบบว่างในใจกับว่างข้างนอกว่างข้างนอกก็เราอยากจะให้มันว่างเราก็ต้องเอาของที่มันทำให้มันไม่ว่างออกไปเช่นบ้านเราเราอยากให้มันว่างก็ขนเฟอร์นิเจอร์ขนอะไรต่างๆของที่ขนออกไปได้หมดต้องขนออกไปให้มันหมดนั่นเหลือแต่บ้านเปล่าๆบ้านถึงจะว่าง ถ้าเราอยากให้ใจเราว่างเราก็ต้องหยุดความคิดต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆหยุดความอยากต่างๆมันก็ต้องหยุดที่ความคิดนี you know, ่แหละเพราะเราหยุดคิดทุกอย่างมันก็หยุดหมดใจก็จะว่างขึ้นมาความว่างของใจนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความว่างเพราะเมื่อใจว่างใจก็จะสงบใจสงบก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง คำถามที่สองในความว่างมีทุกข์หรือไม่ครับไม่มีไม่มีทุกไม่มีสุขมีแต่ความสงบที่เป็นความสุขอีกรกูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขทุกขแบบที่เรารู้จักกันความสุขทุกที่เรารู้จักกันเป็นความสุขที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดปรุงแต่งคำถามที่สามการกําหนดภาวนา เอาความว่างเป็นจุดหมายให้ถูกต้องทําอย่างไรครับก็ให้นึกถึงความว่างเี่อย่าไปนึกถึงอะไรทั้งสิ้นถ้านึกถึงอะไรที่ไม่ใช่ความว่างมันก็ไม่ว่างไปนึกถึงคนก็ไม่ว่างนึกถึงเงินก็ไม่ว่างนึกถึงอะไรก็ไม่ว่างต้องให้มันอยู่กับความว่างก็คือไม่ให้มันคิดนั่นเองคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม เมื่อวานได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์กลับไปพิจารณาแล้วมีคำถามดังนี้ในชีวิตคนเรามีความสัมพันธ์หลากหลายเช่นกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกับคนรักบางทีความสัมพันธ์เหล่านี้ขัดแย้งกันเพราะเราทำตามที่ทุกคนต้องการไม่ได้เราทำได้ดีที่สุด เท่าที่เราทําได้และในบางคราวทําให้เราต้องทําให้คนผิดหวังและจิตใจเราก็ไม่สบายใจทุกใจคําถามนะครับเราจะใช้อุบายใดในการพิจารณาเพื่อให้จิตลดความยึดติดในความสัมพันธ์ต่างๆลง เ, ออเราก็ต้องคิดว่าความสัมพันธ์ต่างๆนี้เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวเป็นเหมือนกับ าการเล่นละครในโรงละครเป็นการเล่นละครกันไปเดี๋ยวพอละครจบเราก็ออกจากโรงไปความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวแสดงในละครก็หมดไปชีวิตของเรานี่ที่เรามาสัมผัสรับรู้กับคนต่างๆก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการสัมผัสเป็นการมีสัมพันธ์ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องตายแยากจากกันไปะ ให้คิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ค่อยยึดติดกับการไม่มีความผูกพันกับสัมพันธ์ต่างๆขณะที่มีก็ทําให้มันดีที่สุดคือให้ใช้ความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาต่อการสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆถ้าใช้เมตตาได้ก็ใช้เมตตาใช้กรุณาได้ก็ใช้กรุณาใช้มุติตาได้ก็ใช้มุติตาถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาก็คือทําใจเฉยๆ คำถามจากทางยู u ู e ครับจากคุณวัตมี4ี่คำถามครับคำถามที่1ผมลองพิจารณาอาการ32แล้วแล้วรู้สึกว่าสามารถเห็นได้ว่าร่างกายทั้งหมดไม่ใช่จิตเหลือเพียงแต่สมองเท่านั้นที่พยายามคิดว่าไม่ใช่จิตแต่ยังหาอุบายที่จะทำให้เห็นไม่ได้ครับรบกวนขออุบายในการพิจารณาด้วยครับ ก็เวลาที่ร่างกายไม่หายใจสมองก็ยังอยู่แล้วทำไมคามันไม่คิดแล้วล่ะความคิดความรู้สึกนึกคิดมันหายไปไหนมันไม่ได้อยู่ในสมองอเราไปคิดไม่ว่ามันอยู่ในสมองเองความจริงสมองเป็นเพียงแต่ผู้ทาหน้าที่ควบคุมบังคับการเคลื่อนไหวการกระทาของอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นผู้สั่งหานให้ร่างกายยกแขนยกขาแต่จะยกแขนยกขาได้ก็ต้องให้มีจิตมาสั่งอีกทีก่อนแล้วสมองถึงจะเป็นผู้รับคำสั่งจากจิตมาสั่งให้ให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ถ้าจิตสั่งแล้วสมองไม่ทำงานเช่นเป็นอาะเป็นอ่ ม, มีมีอะไรติดตันในสมองก็เป็นอามะเพิกกรรมาพาไป จิตสั่งให้ขยับแขนมันก็ไม่ขยับพอสมองไม่ทำงานนี่เกอการทาหน้าที่ของของสมองกับจิตจิตเป็นผู้สั่งสมองสมองเป็นผู้รับคำสั่งจากจิตแล้วไปสั่งให้แขนให้ขาเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นสองสองสองตอนด้วยกันครับพอไม่มีจิตสมองก็ไม่สามารถก็ไม่มีใครมาสั่ง ร่างกายก็นอนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะจิตกับร่างกายแยกออกจากกันเวลาตายคำถามที่สองครับเวลาผมลองพิจารณาขันห้าแล้วรู้สึกว่าวิญญาณสัญญาเวทนานนี้คือการทำงานของสมองส่วนสังขารคือการทำงานของจิต ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกมันเป็นการทำงานของจิตทั้งหมดนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่เป็นการทำงานของจิตนะสมองไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณคำถามที่สามการละสมองได้หรือการคิดว่าสิ่งที่สมองประมวลผลไม่ใช่จิตเท่ากับว่าสามารถ แยกได้ว่าวิญญาณสัญญาเวทนาไม่ใช่ตัวของเราแล้วใช่ไหมครับไม่เท่ากับว่านั่งกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวที่สร้างตัวเราขึ้นมาเราคิดว่าเราเป็นเราเกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งเกิดจากสัญญาความจําได้ไหมรู้ถ้าเราหยุดสังขารฉันหยุดสัญญาได้ คำว่าตัวเราของเราก็ก็จะหายไปนะแต่การที่เราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี้เป็นเกิดจากการคิดที่ถูกตามหลักความเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาคำถามที่สี่ครับพอละสมองได้เท่ากับละร่างกายได้ แล้วค่อยมาพิจารณาตัวสังขารที่ไม่เกี่ยวกับสมองแต่เป็นจิตอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับกราบขอบพระคุณครับถูกต้องต้องละร่างกายได้ก่อนละร่างกายได้แล้วก็มามาละสังขารตัวที่ยังหลอกเราสัญญาสังขารที่ยังคอยหลอกว่ามีเราอยู่ในมีเราอยู่ในจิตเนี่ย เจิตในจิตมีแต่ตัวรู้ผู้รู้ท่านนตัวเราก็เกิดจากสัญญาสังขารที่คิดแล้วก็จำพอเรานั่งสมาธิหยุดสัญญาสังขาปรปั๊บตัวคำว่าเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเราก็จะรู้ว่าตัวจิตที่แท้จริงก็คือตัวรู้ตัวเราเป็นตัวที่เกิดจากสัญญาสังขารคำถามจากคุณกรพัฒน์ การเป็นพระสามารถคุยตลกหัวเราะได้ไหมครับก็มีการนากเทศะเหมือนกับคนทั่วไปถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องพูดพูดเรียบร้อยพูดอะไรก็ต้องพูดเรียบร้อยไปแต่ในช่วงที่อยู่ระหว่างเพื่อนฝูงเพื่อนพระด้วยการเลือดญาติโยมที่สนิทสนมกันก็อาจจะมีพูดตลกบกฮาบ้างก็ได้เพื่อให้มันเป็น แต่ไม่ได้พูดแบบเพ้อเจร์หรืออะไรพูดแบบธรรมะมีธรรมะผสมอยู่เพียงแต่ว่าให้ธรรมะมันคึกคลื้นบ้างไม่ให้มันเบึ้งตึงไปตลอดเวลาให้มันเคลียดไปตลอดเวลาครูบอาจารย์บางทีท่านก็เอาเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องธรรมะมาเล่าให้ฟังอะไรต่างๆอ ย, างอย่างเช่นเรื่องนิทานเรื่องพระอราหันต์นกปุยเคยได้ยินไหม พารานนกหวีนี้ก็เป็นเรื่องของพระสามสี่รูปมั้งท่านไปทุ่ดงด้วยกันแล้วเวลาท่านเวลาภาวนาท่านก็จะแยกไปนั่งคนละที่อยู่กันไม่ให้ไม่ให้ได้ยินไม่ให้เห็นกันไม่ให้ได้ยินเสียงกันพระรูปหนึ่งท่านก็มีนกหวีติดตัวไปด้วยท่านกลัวว่าถ้าเกิดมีภัยอันตรา ย, ายท่านก็จะใช้เต่านกหวีแล้วบอกเพื่อนพระให้มาช่วยเหลือ พอพระนี่ท่านยังไม่ได้บรรลุไงนี่พอท่านแยกกันไปไปนั่งกันพระที่มีนกหวีก็อยู่ดีๆก็เป่านกหวีขึ้นมาพระที่เขาได้ยินก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบวิ่งไปดูพอไปถึงก็ไม่เห็นมีอะไรก็ถามว่าทไมท่านเต่านกหวีอ๋อผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าผมตอนนี้บรรลุแล้วกิเลสตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ไม่มีกิเลสอยู่ในใจผมเลย พอพานได้ยินก็ลงออกลงใจเออดีไม่เป็นไม่มีภัยอันตรายท่านบรรลุก็สาธุเ อ, อเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปไปที่ของตนไปนั่งสมาธิต่อเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงนกหวีดขึ้นมอีกที้พาก็เริ่มสงสัยเอา้ามันบรรลุถึงขั้นไหนแล้ววะถึงมันหรือขั้นอาณหันมีอีกวะอะยังไงก็ต้องไปดูเท่าไหรเดี๋ยวจะหาว่าไม่เดี๋ยวแลกันไม่ดูแลกัน พ อ, ไ ป, อไปเจอก็ถามว่าท่านไมท่านเป่านกหวีดพอที่เปล่าจะบอกให้รู้ว่ามันกลับมาอีกแล้วกิเลสที่มันคิดว่าหายไปมันโผล่กลับขึ้นมาอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าอารหันนกหวีดเนี่ย กรบาอาจารย์บางทีท่านก็มีเรื่องตลกตลกมาเล่าให้เราฟังแต่เป็นธรรมะพวกเรานี่แหละเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบหน่อยก็จะคิดเป็นนู่นเป็นนี่กันไปละบางคนก็เป็นโสดาบางคนก็เป็นส ก, กิดาคาบางคนก็เป็นอนาคาบางคนก็เป็นอรหันต์แต่เดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวมันโผล่ขึ้นมาใหม่ละอันนี้ต้องระวังนะเวลาปฏิบัติ เรเวลาใจสงบด้วยสมาธินี่มันเหมือนเป็นผ้าละหาันเป็นนิพพานแต่มันเป็นชั่วคราวเวลาสงบกิเลสไม่ทํางานแต่เราก็เลยชล่าใจคิดว่าเราสําเร็จแล้วพอออกจากสมาธิก็เลยไม่ไม่ไปสนใจดูจิตอะไรคิดอะไรก็คิดว่าเป็นจิตของผ้าละหาันคิดไปถึงแม้จะเป็นกิเลสก็คิดว่าไม่เป็นกิเลสไปเอออันเนี้เขาเรียกว่าจะเป็นวิปัสสนาไปหลอกตัวเอง เราตัวเองคิดว่าตนเองเป็นผ้าอาหารหันตะ์ทำอะไรก็ได้โลภก็ได้โกรธก็ได้ด่าใครก็ได้เนี่ยเพราะนี่เป็นผ้าอาหารหันต์แล้วะไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ทําด้วยกิริยาแต่ความจริงมันยังเป็นกิเลสอยู่เนี่ยอันนี้ละระวังไว้สำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเพียงแต่ได้ขั้นสมาธิเราไปคิดว่าบรรลุธรรมขั้นต่างๆการจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆมันต้องใช้ปัญญาต้องเห็นใจรังเห็นอริยสัจสี่ ถึงจะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้คําแต่ละขั้นมันมีอรยิยสัจสี่ให้เราเห็นต้องเห็นว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากอยากชนิดไหนแต่ละขั้นมันมีความอยากไม่เหมือนกันแล้วต้องละความอยากเหล่านั้นถึงจะเห็นความทุกข์ดับไปถึงจะรู้ว่านี่แหละคือบรรลุจริงต้องบรรลุด้วยขั้นปัญญาไม่ใช่บรรลุด้วยขั้นสมาธิคําถามจากคุณธีรวัตร กราบสอบถามพระอาจารย์ครับบุญจากการนั่งสมาธิเราสามารถอุทิตให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ครับออส่วนใหญ่ไม่ได้เ พ, เพราะมันยังไม่ได้บุญยังยังนั่งไม่สงบนั่นเองแล้จึงไม่นิยมให้อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิเพราะว่ามันมันจะไม่ได้ก็คนที่ได้สมาธิ น, น้อยมากคนที่จะนั่งแล้วจิตตัวสงบนี่น้อยมาก เึนนี้ยอมให้ให้ทาบุญถวายสังฆทานใส่บาตรหรือทาบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือเบอร์จากเงินทองให้โรงเรียนหรือสาธารณกุศลต่างๆตอน่ า, า, านี้บุญเกิดขึ้นทันที ให้ใช้บุญให้อุทิศบุญด้วยวิธีนี้นะถ้าจะเอาบุญแบบรักษาศีลศีลก็ไม่บริสุทธิ์สักทีเดี๋ยวก็โกหกเดี๋ยวก็ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นบุญเต็มร้อยเต็มที่นั่งสมาธิจิตก็ยังไม่รวมก็ยังไม่เป็นบุญเต็มที่นะดังนั้นะนะอย่าไปอุทิศบุญด้วยด้วยการกระทําเหล่านี้เพราะเรายังไม่ได้ทําให้มันสําเร็จนั่นเองคําถามจากคุณประหยัด การดูลมเราควบคุมบังคับให้ลมเข้าออกอย่างช้าๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกเราไม่เราไม่ต้องบังคับลมให้ดูเฉยๆลมจะเข้าออกช้าหรือเร็วก็เป็นเรื่องของเขาไปเพราะบางทีมันไม่แน่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรมานั่งมันก็หายใจช้าแต่ถ้าเราไปเดินไปวิ่งแล้วมานั่งมันก็จะหายใจเร็วนเราไม่ต้องไปบังคับมันให้เราดู เราต้องการใช้นมเป็นที่เกาะเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเองคำถามจากคุณสีจิตนิ่งได้เร็วว่างแม้แต่ขณะนั่งรถอย่างนี้ถือว่าเราอยู่ในระดับไหนของสมาธิแล้วเจ้าคะ่ะก็ระดับนั้นแหละมันไม่มีเกวัดเข้าใจไหมเราเป็นคนปฏิบัติเราจะรู้เองว่ามันระดับไหนระดับน้อยระดับมาก ก็อยู่ที่ว่าเราได้หลายใ น, ในกี่ระดับถ้าเราเพียงแต่ได้ระดับนี้ระดับเดียวเราก็จะรู้ว่ามันเพียงระดับนี้ระดับที่ลึกกว่านี้ที่สงบกว่านี้เราก็ยังไม่รู้ก็ต้องทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจว่าระดับไหนขอให้มันสงบให้มันว่างไปเรื่อยๆนานๆคำถามจากคุณริกกี้หากเรามีบุตรหลานอายุน้อยๆห้าถึงสิบขวบ การบอกกล่าวสั่งสอนในเรื่องการเวียนไหวตายเกิดการพลัดพรากจากกันสามารถทำได้ไหมครับเพราะถ้าจะรอให้เขาโตจนมีศรัทธาเราอาจไม่มีโอกาสนั้นครับจะขัดกับวัยเขาไหมครับก็เด็กมันมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันตัวอายุมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดความสามารถเด็กบางคนถ้าฟังรู้เรื่องก็บอกได้ถ้าไม่รู้เรื่องก็ บอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เราไม่ต้องบอกเรื่องการเวียนว่าตายเกิดเราเพียงแต่บอกให้เขาทาในสิ่งที่จะทําให้เขาไปเกิดดีจะดีกว่าเช่นสอนให้เขาทําบุญสอนให้เขาอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ามดฆ่ามแมลงฆ่าอะไรสอนให้เขาอย่ากโกหกอะไรนองนี้จะดีกว่าแล้วต่อไปเขาโตขึ้นก็จะถามค่อยอธิบายกันต่อไปอแต่ควรจะสอนให้เขาทำดีๆกว่า เพราะตอนเป็นเด็กนี้เขาไม่เขอยากจะรู้ว่าทำไมบอกให้ทำก็ทำไปถ้าเขาถามว่าทำไมก็บอกดีก็แล้วกันทำแล้วมีความสุขก็แล้วกันแล้วไม่ทำแล้วจะไม่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ทำบาปแล้วจะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจสอนแบบนี้ดีกว่าอย่าไปสอนทฤษฎีเพราะว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำสอนการกระทำดีกว่า ส่วนทฤษฎีเราให้โตขึ้นก่อนพอให้เขาความสามารถที่จะเข้าใจหลักทฤษฎีได้แล้วค่อยสอนค่ะคำถามจากคุณดินกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามและปรึกษาพระอาจารย์ครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปปฏิบัติทรมาก่อนไปก็ได้ขอภรรยาและชวนเขาแต่เขาไม่ไปแต่อนุญาตให้ผมไปปฏิบัติ พอปฏิบัติเสร็จกลับมาก็โดนภรรยาต่อว่าว่าไปสบายไม่สนใจคนข้างหลังทิ้งภาระให้จนทะเลาะกันที่ผ่านมาผมก็โอาโหสิให้ตลอดพยายามชวนให้เขาเข้าวัดบ้างลองปฏิบัติบ้บางแต่เหมือนสิ่งที่ผมทําช่างไร้ผลเสียเหลือเกินผมขอเขาไปปฏิบัติหลายครั้งไม่เคยได้ไปพอได้ไปก็เกิดปัญหาตามมาทําให้ใจมัวหมอง และทะเลาะกันอย่างนี้ผมจะได้บุญกุศลหรือไม่ครับแล้วผมจะบาปไหมและมีทางใดบ้างที่จะทําให้ภรรยาผมได้ปฏิบัติธรรมเขาไม่ฟังอะไรเลยกระผมทุกข์ร้อนใจมากครับก็เพราะว่ามันไม่บาปหรอกการไปปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญเพียงแต่ว่าภรรยาอาจจะทุกข์เพราะเขาไม่ได้ความสุขจากเรานั่นเอง ที่เขามีเราเพราะเขาอยากจะให้เราให้ความสุขกับเขาแต่เราเดี๋ยวนี้ไม่ยอมทำหน้าที่ของสามีซะแล้วไปเป็นทำหน้าที่เป็นพระงั้นเรากำลังบกพร่องในหน้าที่ของเราเราต้องทำให้ภรรยามีความสุขก่อนแล้วเราค่อยไปเป็นพระถ้าภรรยายังขาดความสุขจากเราเราต้องให้ความสุขเขาก่อนในฐานะที่เราเป็นสามีเตอนนี้เราบกพร่องหน้าที่ หน้าที่ของสามีก็ต้องให้ภรรยามีความสุขเมื่อภรรยามีความสุขแล้วก็อาจจะขออนุญาตว่าไปทำหน้าที่ของพระอถ้าก็มีความสุขแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเอาไปแต่ถ้ายังไม่ให้เขามีความสุขแล้วไปเขาก็ต้องบ่นแน่นอนเท่านั้นเองคุณกำลังทำหน้าที่บุกพล้องคุณต้องทำให้ภรรยาเขามีความสุขมีความพอใจก่อน เมื่อเขาสุขแล้วค่อยขออนุญาตเขาว่าขอไปปฏิบัติธรรมแล้วสองสามวันเขาก็บอกเออไปเถอะตอนนี้คุณหน้าที่ของคุณเสร็จแล้วออฉันมีความสุขแล้วที่คุณจะไปรักษสามวันก็ไม่เป็นไรเอยวกคุณกลับมาขอให้ทำหน้าที่ต่อก็แล้วกันยังแม่สามีภรรยาก็ต้องมีหน้าที่ต่อกันถ้าไม่ทําหน้าที่ต่อกันมันก็ต้องมันก็ต้องทะเลาะ ก, กันเท่านั้นะใช่ไหม สามีภรรยาจะทะเลาะเรื่องอะไรคำถามจากคุณสีสุดากราบเรียนถามค่ะนั่งสมาธิจิตจะแวบออกไปง่ายและบ่อยมากแต่เดินจงกรมจะเห็นและเอากลับมาได้ไวอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรคะก็เดินจงกรมไปก่อนให้มีกำลังมากขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิ ตอนนีสติมีกําลังน้อยต้องอาศัยการเดินจมกรมเพื่อจเจริญสติไปก่อนคําถามจากคุณพิทักษครับกราบเรียนสอบถามครับพระอาจารย์เมื่อคืนในขณะที่กําลังนั่งภาวนามีความรู้สึกคิดถึงคนรักจนเกิดความกังวลและมีความรู้สึกพยายามที่จะทําให้จิตคลายกังวลออกจากความคิด ออกจากความคิดถึงนี้ได้จึงได้หยุดภาวนาไว้และมานั่งพิจารณานึกภาพให้ปรากฏขึ้นในใจว่าเป็นสภาพศพที่โดนรถทับเละเทะน่าเกลียดไม่น่าดูพอจิตรับรู้แล้วก็เลยถามจิตตัวเองไปว่าถ้าเขามีสภาพเช่นนี้แล้วเรายังจะรักคิดถึงเขาไหมจิตมันตอบกลับมาโดยทันทีเลยว่าไม่ และเกิดความสงบขึ้นมาไม่กังวลหรือคิดถึงเขาเลยในขณะเวลานั้นแต่ก็ยังตัดไม่ขาดแบบถาวรอยากถามพระอาจารย์ครับว่าสติที่เราพิจารณายัางไม่มากพอที่จะสู้กับกิเลสใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมพิจารณาแบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับก็เรียกว่าสมาธิปัญญาอบรมสมาธิางไงพอจะนั่งสมาธิมันไม่ยอมสงบก็เลยต้องใช้ปัญญา พอใช้ปัญญามันก็ทําใจให้สงบได้ในในช่วงนั้นแต่มันยังไม่สามารถตัดขาดได้อย่างเต็มที่เพราะเราเพียงทําเพียงครั้งเดียวเนื่องทุกครั้งที่ยังห่วงอยู่ก็ต้องคิดถึงตอนที่ก็เป็นศพไปเรื่อยๆคิดถึงตอนที่ก็เป็นศพอยู่เรื่อยๆคิดถึงตอนที่ก็ต้องตายจากเราไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าคิดบ่อยๆต่อไปมันก็จะตัดได้ทุกครั้งที่ยังไม่ตัดยังตัดไม่ได้ก็ต้องเหมือนกับมีดนะถ้าเราฟันไม้มันยังไม่ขาดก็ต้องฟันมันลงไปเรื่อยๆฟันมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟันไปในที่สุดมันก็ต้องขาดเองฮอุปทานที่เรายึดเราหลงยึดติดกับของที่เรารักก็เหมือนกันเราก็ต้องดูว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องตายไปทุกครั้งที่ยังยึดติดก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องตายคิดไปเรื่อยๆ ในที่สุดมันก็จะมันก็จะปล่อยได้มันจะยอมรับได้ว่าไปห่วงไปกัวงวลยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายเอาคำหมดเวลาพอดีมีไหมมีครับเอาสุดท้ายก็แล้วกันอีกข้อหนึ่งครับคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมซึ่งมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็น แต่บางครั้งบทสวดเป็นภาษาบาลีที่ดิฉันเองอ่านจะท่องหรืออ่านไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทันทำให้การสวดมนต์หรือทำสมาธิให้จิตจดจ่อกับบทสวดมนต์นั้นทำได้ยากดิฉันจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็หัดท่องให้มันจําได้สิเมื่อจําไม่ได้ก็ต้องขยันหัดท่องมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจาได้ สวดบ่อยๆหัดสวดบ่อยๆสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เองะตอนนี้ยังจําไม่ได้ก็ต้องพยายามหัดสวดไปเรื่อยๆก่อนเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาหมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด